สองตาเป็นผู้พูดท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังฟังแล้วนำไปทำให้มันมีสิ่งที่ควรจะมีสิ่งที่ไม่ควรจะมีให้มันหมดไปเอ็นทาได้ปฏิบัติได้เช่นความรู้ทำให้เกิดขึ้นมากๆร้องหลงทำหมดไปมากๆ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 ถ้ามีลูกก็เป็นไปทางหนึ่งทางหลงไปสู่อบายทางรูปไปสู่มกขนิพพานแยกกันตรงนี้ถ้าจะเสเวีก็เสเวทางตรงนี้กันบุกเปิกไปก่อนเหมือ <c oughs> น, นชาวดงชาวป่าเรามาอยู่หลังเขา ปลูกป่าเส่นก่อนถางป่าเชนก่อนจึงข้อยปลูกเข้าไล่หูกทัวก่วโพงาได้การถางป่าก็าเป็นเบื้องต้นป่าคือหลงอวิชชาคือหลง ถ้ามีป่าก็มีเสือมีสัตว์ไล่ถ้ามีหลงก็มีความโกรธความโลกความทุกข์ความล้อความเกลียดชังณที่ใดมีป่าอย่าประมาทอย่าประมาทในความหลงเสืออุบาทมีอยู่คู่สถานคอยจักจ้องมองเหยื่อทุกวันวานถ้ามีความหลง ก็เมสัตว์ลายคอยจับ่องชีวิตของสัตว์โลกเมื่อหนูอยู่ในโดงในป่าจุดเจ่เจ็บตายผู้คมหลงเป็นทุกข์ผู้คมหลงเราจึงต้องเปลี่ยนตัวนี้อย่าไปเชื่อ สมองหัวคิดปัญญามันหลงรู้ทันทีทำแค่นี้นั่นทำได้ตามรอยพระพุทธเจ้าตามที่หลวงตาได้พูดมา่วานนี่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทำอะไรทำให้เกิดพุทธเจ้าขึ้นมาเปลี่ยนหลงเป็นรู้เนี่ยอันหลงอะไรหลงคิดหลง ลายหลงกิดเราจะมาดูตรงๆเข้าไปให้มีสติดูกายเข้าไปนั่งอยู่ตน้นชีมาโพกานกู้เขีนเข้าการเหยี่ดเขนยนออกให้รู้สึกตัวประกอบขึ้นมาไม่ใช่คิดนึกนึกคิดคิดฝันฝันเนาะไม่ใช่เอนควานกนระทาจริงๆกรมรมคือการกระทาฐานคือที่ตั้ง เอาสติไปตั้งไว้ที่กายเนี่ยให้ทำลงไปให้รู้ลงไปดูเขียนเข้าเ ย, ยี่นเนออกหายใจเข้าหายใจออกเดินแต่งหน้าเดินไปเดินมางานของเราเป็นงานของชีวิตจะได้ชีวิตถ้าถ้าหลงเป็นหลง ไม่มีชีวิตทุกเป็นทุกไม่ได้ชีวิตรักเป็นรักเกียดชังเป็นเกียดิชังยินดียินร่ายพอใจไม่พอใจนั่นไม่ใช่ชีวิตชีวิตต้องมันมันต้องไม่เป็นอะไรคือราะวะที่รู้รูแร้แล้วรู้แล้วรูซ้ซื่อเข้าไปไอยเรื่องที่มันผ่านจากภาวะที่รู้เนี่ย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 ก็เล่าถึงการแสดงธรรมมีคนท้าคนฟังคือปัญจวัคคีนะ่ะก็พูดไปแล้วเมื่อได้ตัดสลกขึ้นมาเหมือนน้ำชุ่มฉ่มในชีวิตจิตใจของผูองเปลี่ยนแปลงภาวะเดิมมาเป็นภาวะใหม่ก็ย่อมคิดถึงสัตว์โลกไม่ความเม่ตากุนาเต็มเปลี่ยม เหมือนนองฝนที่โรยลงมาชุ่มฉ่ำในชีวิตกิใจเมตตากุณาเนี่ยแผ่ขยายไปสับปสิ่งทั้งหลายมหากุณาธิคุณคิดถึงสัตว์โลกเห็นคิดถึงคนมีทุกคิดถึงคนที่ไม่มีทุกข์เหมือนกับเราได้กินข้าวอาหารดีๆคิดถึงลูกคิดถึงพ่กคิดถึงแม่พ่อแม่คิดถึงลูก คนอาสามีคิดถึงกันเอาอยากจะเาไปฝากภวนานั้นพุทธะเกิดขึ้นแกสามัญชนคนหนึ่งคือสิ็ทุตะได้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตขึ้นไปให้ตาคุณนาเต็มเปี่ยมคิดถึงใครล ตอนนั้นเสวยมุติศกอยู่ในใต้ต้นสีมาโพธิ์สอาทิตย์วันแรกอาทิตย์แรกมองออกไปยืนทั้งข้างต้นสีมาโพธิ์ไม่เคยพิบตาเลยอัศจรรย์ไม่เคยพิบตาเลยแต่เมพุตธิศกอยู่แถวนั้นรอบรอบสีมาโพธิ์ ตอนนั่นตามพุทธประวัติของหายานมีเด็กชายสวัสดิ์เด็กกำพร้าเลี้ยงควายให้ชาวบ้านเขารับจ้างกับน้องสาวคนหนึ่งเด็กๆเ ด, ด, ด็กน้อยถ้าจะถ้าจะมองดกูก็รุ่นเล่าเขาเรียกกปบลาหมุนรหว่านั้นพระเจ้าก็เล่นกับเด็กน้อยสองคนได้ สายสวัสิ์เป็นผู้ชายแล้วมีน้องสาวตัวเล็กๆร <c oughs> ับจ้างเลี้ยงหวยให้จาบ้านเขาบ่าได้อยู่ได้กินก็มาเล่นกับพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าก็มองเหมือนกับเหมือนกับลูกลอหุนมันรุ่นเล่าเขาเดียวกันตมาณ หกเจ็ดปีเนี่ยพระเจ้าออกบวดลาหนประสูตรได้เจ็ดวันจิตาออกบวดลาหนประสูตรได้เสร็จเจ็ดวันลำเพลิทุกขยายเจ็ดหกปีเป็นหกปีเจ็ดปีนี่เด็กหายสวัสดิ์ก็อายุรุ่นเนี่ยเจ้าเลยใส่ใจสมีเมตตากคณา ตอนที่ได้เสียทิศแล้วจะออกสากิมาโพคิดถึงปัญจวชีเนี่ยที่ได้พูดว่าทเทศนากันแรกมีคนฟังห้าคนคือปัญจวิชีบรรลุธรรมตัดทงแล้วยอมคิดถึงปัญจวคชีที่เคย อ, อกปวดเป็นอุบาก ในนี้จากไปนายวนเพนดันหกได้ข่าวว่าไปโน่นอิสิปตนะโน่นพาราณสีโน่นจากพุทธคยาไปพาราณสีเนี่ยไม่ใกล้นะน้องตานั่งรถเกจชั่วโมงนะแล้พวพธะเจ้าสมัยนั้นไม่มีรถเลยเดินไปประมาณหนึ่งเดือนพอดี จากมันเว็นเดินเกะฮะใช่ไหมย <c oughs> อยู่ชีมาโพเ น, นื้อหนึ่งก็เป็นมันเป็นเดินเกียพอดีละ่ะเดินไปคิดหาใครไม่เจอต้องมองดวงปัญจคีในเหมาะที่สุดที่จ้องได้บรรลุธรรมก่อนใครได้ต้องไปสอนปัญจคี ลูกชายสวัดก็อยากติดตามไปนั่นก็ไปไม่ได้เพราะเด็กห่วงน้องถ้ามีแต่เฉพาะสวัด์พุทธสัตว์พรเจ้าของเอาไปด้วยเพราะห่วงน้องสาวตัวเล็กๆให้อยู่แลจ้างเลงโัวรลี้งควายไปก่อนลูกชาสวัสดขอติดตามพระเจ้าก็ไม่ให้ไปให้อยูแลองก่อนเดี๋ยวจะกลับกลันมา อยู่แถวนี้แหละเราจะกลับกึนมาเล้พอพงก็กลับกึนมาจริงต่อโอตอนชิคีแล้วกลับปรดจักขึ้มาพุทธคยายังดึกแค่สวัสดิ์ยังอยู่เอามาบวชเป็นเนรต้นหล่าเขาเรียกเราตอนนั้นเราหนก็บวชเราหนดุพระุทเจ้าดุลราหหน ขี้โทษตลอดเวลาบางทีลาวหนนก็ถูกด่าไปบ่อยก็ไม่กินข้าวเด็กน้อยอพู้เจ้ายังบอกให้สวัสดีไปไปดูลาวหนนไปพูดกันชวนมาสวัสดีก็ไปชวนกันดวลลาหวนมาเป็นผูท้ที่เป็นกลางระหว่าง พระพุทธเจ้ากับลาหลนะ์ทำราพ่อต้องดุลูกชี้โทษตลอดเวลาลาหนก็เป็นเด็กนึกว่าพระพุทธเจ้าไม่ไม่รักเราเด็กชาวสวัสด์เนนสวัสด์เพ้นด่าเลยด่าแต่เราคนเดียว <c oughs> <c oughs> น้อยใจก็เลยสวัสด์เนี่ยเป็นคนพวกลาหนลตาเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้า ไอ้เธอก็เจงทั้งคู่ผู้ใดขี้โทษแล้วขี้โทษอีกไม่ไปหยุดนั่นแหละคือผู้ขี้ขมส้อมให้เราผู้ใดขนาบแล้วขนาบอีกไม่ไปหยุดนั่นแหละคือผู้ขี้ขมส้อให้เราฟองดีๆนะได้ประโยชน์ถ้าคนไหนยกย่องน่ะไม่ดีถ้า ว, วางไว้ให้ครบกบุคคลที่ขี้โทษใครเลยเป็นคนขี้โทษมากที่สุดพ่อแม่ ครูอาจารย์เป็นผู้ที่ยศลูกศิษย์ลูกเต้าของตัวเองมากที่สุดดูอะไรผิดวางไม่ได้ต้องขี้เข้าไปงดีอันนั่นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีออกอันแหละโกขี้ข่มทรัพย์ให้พรเจ้าก็ดำเนินไปถึงโน่นอิจิปตระนัโน่นนะ เราต้องการจะให้ลูกเราเนี่ไปบวกมองชีวิตของสัตว์โลกเหมือนบัวสีเหลาบัวเหลที่หนึ่งพนน้ำแล้วรอแสงอาทิตย์น้อยเดียวก็จะบานทันทีคนในโลกไม่ต่างกัว่าอุคติตันอยู่พับทันเดีบันรูรทมได้ ง, ง่ายเหมือนบัวพ้นน้ำ พอได้รับแสงอาทิตย์กับบานองบุประเภทที่สองบัวอีกสองวันสามวันจะพ้นน้ําบัวประเภทที่สามอีกอาทิตย์สองอาทิตย์จะพ้นน้ําบัวประเภทที่สยังอยู่ในดินยังไม่ขึ้นพ้นดินเรียกว่าเนยยะปะทะปะัลมะ โคติตันยวันดับแรกวิปติตันยอันดับที่สองเนยยะอันดับที่สปทท ะ, ะปละมะอันดับที่สี่ปึกหนาสาหดบอกให้มีสติก็ไม่เอาปฏิบัติมาเป็นสิบปีแล้วยังโกธ <laughs> รธปททะปละมะต้องวัดเกณฑ์วัดเ น, นียนะที่จะให้มีคุณธรรม พระเจ้าจะมองเห็นลักษณะแบบนี้ไ <c oughs> ตสอนใครเหรที่เป็นอุคติจันยูบุคคลคิดถึงอุตกาะดาบทครูคนแรกเมื่อออกบอาดออดราบทอาจารย์ที่สองแต่ว่าตายไปแล้วต่คิดถึงปัจฉีนี่แหละอุคติจันยูบุคคล ไหหาไปที่เรกบรรเจ้าชีไม่อยอมรับเลยเอาละสำนักมากมากมาแล้วมาแล้วพวกเราอย่าอยู่หนีไปอย่าต้อนรับเห็นกินข้าวร้องชุชดาเรียกว่ามากมากไม่บรรลุธรรมได้ในโลกเนี่ยคนกินข้าว ต้องไม่กินข้าวต้องนอนเชี่ย น, นอนหนามีระทิแบบนั้นของอินเดียยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่เปื่อีกายเปื่อีกายไม่มีอะไรไม่มีผ้าลงกระห่มไปบินทาบาดเอามือเดินไปบ้านเขาเอาใส่อาหารหะไรใส่มือเอาจกิน เป็นไปแปลว่าพระอรหันต์ก็เขาสมัยนั้นสิทธัตถะพูะเจ้ากินข้าวนางสุจราถาดท้องอย่างดีคนสำมาเขาใส่มือกินเห็นที่แล้วไม่ตอนลราชวนกันนีไปหนีสำนักมากๆมาแล้วสิทธัตถะมาแล้วโอ้โดนมาหนุนไปไ ป, ไปเก็บข้าวจุกของหนีไป ออกจากที่เห็นแดงไปพบที่แรกเป็นสถูกเห็นหลักฐานใบหนุนบันิปันชีเข้า อ, อีสิบปรนละเลยเจ็ดกิโลประมาณสองกิโลไม่ใช่เจ็ดกิโลสองก่อหมอจะกพบแยกเดินไปทีนะ่ประมาณสองก่อหมอพระเจ้าจังไม่ทอถอย พยายามตามไปยูพอตามไปแล้วปัญชีขีกันนั่งคุยกันในะป่าอิสิปตนะมาลึกคายาวันทำไมจึงเรียกอิสิปตนะมาลึกคายาจวันเป็นที่ปวดป่วยของสัตว์โลกคนเมืองพราณาสีคนมาจากไหนไปอยู่ป่านั้นนักปวดหรือี้ขีภไยอะไรต่างสัตว์หลาจริงอยู่ที่นั่นไม่มีการทำลายกัน เป็นที่ปลดปล่ยของสัตว์โลกพวกตือสีขีไปก็ไปอาศัยเจ้าแล้วเข้ามาบินธบาตในฉลนาธารณาณศีขอข้าวกินนี่ก่อนพระพุทธเจ้าจตรัสรู้ตามไปอยู่ที่นั่นตอนชีนั่งคุยกันอยู่อ้าวมาอีกแล้วสำนักมากมาธสีทธธะมาอีกแล้ว พวกเราไม่ต้องลกนั่งอยู่นี่แหละแต่ต้อนรับเฉยจะนั่งประสงค์จะนั่งก็ตามใจจะมานั่งก็ไปไหนก็ไปพอเดิ น, นมาใกล้โกนทยาพ า, ามเป็นผู้ทำนายลักษณะเป็นเป็นหนึ่งว่าต้องตัดจะลู ก, พกเพเลย ก็เลยยังไม่ความเคโลกอยู่เลยเอาผ้าเลยสีธนะไปปูไว้ท่านประสงค์จะนั่งก็นั่งไม่นั่งก็แล้วแต่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่บอกผ้าเลยสีธนะปูไม่มีกระดานอะไรมันแล้วไงแล้วเจ้าก็เดินไปไปนั่งหรือผ้าชิบ มีโกนทัญญาหันหน้าใส่พวกนั่นหันหลังเลกันอยู่หันหน้าใส่ดูโกนดูโกนปัญชาวคคีแสดงธรรมเรียกว่าธรรมจักรปรวัตตนสูตรพูดถึงทางแล้วก็ต่อไปอนัตตละขันสูตร จากที่เราสวดพระสูตรตอนเช้าต่อไปก็ฤทจสดีให้ปัญจวีฟังตอนดันยานั่งฟังด้วยใส่ใจส่วนวัปปะพัทธยะมหานวะอจฉิอันข้างใจเล่นกันขีดติ้นขีดเลยหันอันทีก็มองที่ก็นั่งมนละ <laughs> ขนาดไหนฮะ ก็ย่าวยังเพียรพยายามนะพยายามดูก่อนปัญจวีรีดูก่อนฟังเรื่องนี้เราไม่เคยรู้เรื่องนี้ไม่ควรเสบไม่ควรเลินอยู่สี่แพร่งสองแพร่งกามสุสขานิกาโยโคอัตจิมขาโยโคทุกขปฏิปทาอย่างเอาสวดทงมาจาัก เอว่มเมชุดตังเอกังสวรังราวาวินทีอิสิ ป, ปะตะมลุกทายาวมลุกขธาดูก่อนลนะ่วอ่านเอาในพระสูตรมีอยู่ในหนงังสือธรรมะทางอะไรทุกคนได้อ่านมาแล้วได้สวดมาแล้วต่อไปเลยจัดต่อไปอนัตตาลข้าโสูตร เราถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบอรหน้าแล้วทำจะไหนกันดำที่จูดแ่งกองทุกข์ทั้งเส้นนี้จะมากฏชัดเจนเรารูบไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงว่าโดยอยบัติฐานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ลูปบปังในจังรูบไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยง ลูกไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนวันจะวีคน่อยากฝังไปฝังไปจิ้งด่ไม่เที่ยงสิ่นั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิไหนเป็นทุกข์สินั้นไม่ควรหรือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนสปเปสัมมานาตาติยาตาปัญญาญาปัจจติอ่า응응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 อญญาคนอจยาฟังไปฟังไปจิตตามไปจิตตามไปตื่นขึ้นมาตอบเราพระเจ้าเข้าใจออแสดงนะเขา้าใจในความยิบย่ำขึาาาา้นมาอืมจ า, ากากงุทาปฏิจะตังอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิโลคโลโหอุทาปฏิแสงสว่างเกิดแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ว อนย่าฟังไปฟังไปตอบรับอัญญาสิวัตโพกอนะโยอัญญาสิวัตโพกอนทะโยรู้แล็วหรือรู้แล้วตะก่อนชื่อกอนทัญญาต่อรู้แล้วอัญญาสิอัญญาสิวัตโพกอนอัญญารู้เร็วหรือรู้แล้วพระเจ้ารู้แล้วพระเจ้าข่ารู้แล้ว อันนา่าใจกตรงฟังสอนวัตประพฤตยิยังเล่นอยู่ไม่สนใจเหมือบนบันวเราที่สองที่สามไปต่อคนทังยาบรรลุธรรมไนะด้เอาละได้ชื่อว่า ส, า ส, ททออสัมามาสัมพุทธโธ่อไปก็สอนวัตปะพัิยังงามะตามดับไปออกบวชถือบวช ตานบวสมัยก่อนก็เป็นการบวดแบบแบบอะไรอาจารย์ฮะอ๋อบวชเอฮิุสมุทาแน่นบ่แค่ไหมเอฮิบุสมุทา เป็นพิสุมาเถิดทำไม่ในกล่าวดีแล้วเจ้าพุทธตามทำนั้นเถิดว่ากับโกนธัญญาว่ากับว่าปะพระเทียมหาลมาเพราะอะไรเพราะห้าคนนี่เป็นพลังงานแล้วตั้งแต่ยังไม่บวชเลยท่านจงเป็นพิกษุมาเถิดตทำไม่ในเราตัดไปดีแล้วท่านจงเป็นผู้พุทธรำนั่นเถิดตามทำนั่นเถิด เดิมห ล, ลงอย่าไปตามหลงให้ตามความรู้สึกตัวเดิมโกรธอยไปตามความโกรธให้ตามมาความรู้สึกตัวประพฤติตามทรมลันเถิดเท่านี้หอมชีวรสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรมตานจะเป็นพิจูมาเถิดทำไม่ไหนเราตัดไ้แล้วท่านจงพิพุทธทมท่านจงเป็นผู้พิพตตามมาทำไม่ไหนให เป็นที่สิ้นทุกเถิดคนทยาทสิ้นทุกแล้วประพฤตตามธรรมเถิดผู้ที่ไม่บรรลุธรรมจงประพฤตตามธรรมเมื่อไหนให้เป็นที่สิ้นทุกเถิดเรียกว่าบวชคนที่เป็นบุตรชนแล้วบวชเป็นผู้ที่เป็นพระหลานประมาณเตือนแปดขึ้นสิบห้าคำพโปอดวันเ้าวชีแล้ว บรรทํธรรมแล้ ว, ลวออกจากอิสิปัรละไปพวกเราไม่เท่านี้ตมตนจริงอย่างนี้ไปช่วยมนุษย์สัดโลกทั้งหลายพวกเราเป็นผู้พ้นจา บ, บ่วงแห่งมาแล้วจงไปจงไปไปคนละทางนะเราไม่น้อยคนตัญญาไปทางหลวปปงป่าปัญญาอย่างอาตชิไปทางนงมหานามาอาัจไปทางนึ่ง เราจะไปอุอลุเอราเจนะนิคมได้สัญญากับพระเจ้าพิมิสารได้ตั้งแต่ อ, อกบวดจะไปเมืองราชคฤห์ใกล้ๆ ก, กับพุทธคยาพอไปราชคฤห์ก็ไปต่อพุทธคยาไปหาเด็กชายสวัสด์กลับไปทางเกาใช่ไหม <laughs> ตามพุทธประวัติ แต่ไปตามลองตากไปตามร่องรอยเนี่ยตามร่องรอยไปงหลายรอบเลยอ่านี่ยมันเป็นอย่างนี้จะพิสูจน์จไงมีอยู่จริงๆพุทธเจ้าก็สามัญชนมันเหล่านี้ตัวเจ็บเจ็บตายมันเรามองเห็นประหารแล้วในีจึงอกปวดชีวิตของเราเน่ะ ต่เอเลยตัดจะลุะกแล้วก็สอนอ่อยดังที่สวดปัญจคีสไมยนั้นปัชจคิเป็นเป็นคนสาวกคนที่หา้าบวชบรรลุธรรมหลังเพื่อนโอนัญญาบรรลุธรรมก่อนเป็นพระสงฆ์แรกของโลก ตั้งแต่วันตัดจะรู้ตั้งแต่วันเป็นเดือนหกมาถึงวันเป็นเดือนแปดตอนนั้นยังไม่ชื่อว่าสัมมาสัมพุทธโธชื่อว่าพระพุทธเจ้าเฉยๆอสอนคนรู้ตามจึงได้เรียกว่าสัมมาสัมพุทธโธก็ทำพุทธ ร, รู ป, ปางนี่เย่นอย่าลานาได้แสดงธรรม โกรธคนลูกตามยกนิ้วแน่นอนหรอใช่ไหม <c oughs> บอกให้ลูกลู้ได้นะหลงไหมไหมหลงมีความโกรธหลายความโกรธแน่นอนเรอแต่ว่าเฉลยเราคือคนทายาจะบกยกนิ้วเห็นไหมเอาสรุปอยู่นะสระาณาปางพระถมประเทศนายกนิ้ว ว, ว่ามันแม่นยําำนะยกนิ้วฉะนั้นคนกินมาสุโกโตตอนที่หลวงตากลับจากมังกรีนเขาตามมาเราให้เห็นว่าสุโกโตแต่เขายกนิ้วอะไรไม่รู้เหรอเขายกนิ้วอะไรไม่รู้นะแต่พระเจ้ายกนิ้วเนี่ยคือสําเร็จแล้วพระธรรมคําสอน เป็นบังเป็นผลมีผู้ลู้ตามจึงได้ว่าสัมมาสัมพโพธสอนคนเดินลู้ตามได้นะว่าเราสวดพุทโธเห็นผู้รู้ผู้ตื่นและสอนคนเดินลู้ตามด้วยพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างโดยชอบแล้วสอนคนเ่ิไในลู้ตามพระธรรมคือคำสั่งสอนพระเจ้าปฏิบัติลู้ยิ่งเห็นจริง ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกตดการผู้ปฏิบัติย่อมรู้ได้เพราะสงคือหมู่ชนผู้เชื่อฟังคำสอนตามรำไว้ในปฏิบัติตามไปตามกาสอนแล้วยิ่งเห็นจริงงนธรรมที่ควรู้คนเห็นแล้วสอนคนนื่นรู้ตามนี่คือพระตนตาตายสามอย่างเพราะนั้นพวหลอาเต็มไปด้วยความเมตตากรุณา ถ้เห็นคนโกรธอยู่น่าสงสารหเห็นคนทุกข์กน่าสงสารทำไมเขายังทุกข์มันไม่ทุกข์ก็ได้ทำไมเขายังโกรธไม่โกรธก็ได้ช่วยกันอย่างนี้มนุษย์ทำไมปิดฉาเบียแเบงกันถ้าเขายังไม่โกรธเขายังไม่ทุกข์ก็ยังมีทุกข์ของเขาอยู่ต้องแก่ต้องเก็ บ, ต, กบต้องตายเหมือนกันหมดจะมาบียแเบงกันทำไมเนี่ย เมตตาเมตตาที่คุณล่นฟ้ามหากุณาที่คุณเมตตากุณามุตตาเปคขาห <c> ล <oughs> ังเกียรติธรรมใหมยถ้าทั้งหลายช่วยหลงตาขอให้หลงตามีโอกาสช่วยคนแต่มันจนมันก็ช่วยไม่ได้เท่าที่ควรอยู่ที่นี้ ดูเอาทำไมอยู่ที่นี่เพราะที่นี่คนไม่เข้าวัดสมัยก่อนฆ่ากันตายแมนบอกม่เพี่อนลุยเลือดหลงตาไปเจ็บศพคูตายลุยเลือดเรื่อ้ฆ่าก้อนฆ่าต า, ายว้าเถือน้าเถือนมากสมัยก่อนนะปืนเอ็มสิบหกปืนลูกสองห้านัดปลายกันเกลื่อนตำรวจทหารไม่มี บ้านทะเลาะกันตัดสินใจ <c oughs> ด้วยความรุนแรงอยงหลังตายังเคยไก่เกี่ยเงนี้พ่อคงแม่แพงทะเลาะกั น, <c oughs> นแน่นว่าจี้ไดผมไม่เพียนตีหัวกันหัวแตกตีหัวกันแตกแม่แพงร้องให้มาหาไม่มีผู้บ้านไม่มีใครที่ไหนมาหาหลังพ่อ ก็ค่าจะล่าหลวงพ่อกลับบ้านมาอยนีบ่ได้รอกพอข้องตีหัวแตกแล้วเลือดอาบมากเลยหายบ้านไหนเมื่อเขาสี่ล่าหลวงพ่อกลับอายุบ้านเกา่ามาโยน้ำเล่ารอกออนอนตาคุณโอ้ยอย่าเพิ่งไปแม่แพงใ ห, ให้หลวงพ่อได้ไปพูดดูก่อนถามดูก่อน อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อายคนเอาไม่แพงคนอื่นหลวงพ่อยังพูดได้ไม่แพงเป็นคนใช้บาททุกวันหลวงพ่อพูดจะไม่ได้บ้างหรือ็เพิ่งไปตอนเย็นหลวงพ่อจะเข้าไปถามดูมันเป็นอะไรกันก็เลยอ๋อถ้าหลวงพ่อไม่ให้ไปก็หยุดก่อนนะไอ้บอกนะตอนเย็นหลวงตาจะเข้าไป บอกลูกสาวลูกเขยมาบอกเข้าไปก็สองคนไม่มีลูกล้ะลูกเขาออกจากบ้านมาแล้วคนหนึงหน่ง น, นัง่งๆรืกคนน้อยเข้ามาพราโค้งมานี่แง่แพงมานี่อ่าก็บอกเป็นจังไนกันไม่ใช่ใครอยากพูดเลยเทียบ เป็นอะไรกันโพคงไป็นอะไรกันม่แพงหัวแตกก็ผมก็ทําอาหารอยู่แม่แพงก็บ่นด่าผมผมก็โกรธโกรธแล้วโกรธผมไม่ได้จตีแม่แพงนะผมก็โกรธผมโยนเขียงลงไปข้างล่างพอดีแม่แพงเดินมามันมาถูกหัวแม่แพงเข้า หัวแปงเลยหัวแตกผมไม่รีเจตออลูกเขยก็นั่งอยู่ลูกสาวก็นั่งอยู่พอดีพอพ่อของผู้หนึ่งผู้ลูกสาวก็พูดว่าแม่น่นะนะดา่าเราเราก็เฮ็ดกินแล้วดาเราพ่อเราก็บ่กปากเราเราเฮ็ดกินอ ย, อออนอยู่แต่ว่าน่ะเห็นไหาขึ้นมาเห็นแต่หัวแตก บอรู้อยากต่อนน่ไม่เป็นยังไดโหก็โมอยากอาจจะเป็นความจริงลูกสาวพูดหระอาจจะเป็นความจริงโอ้ยแม่แพงพ่อคงไม่เจตนาตีแม่แพงแม่แพงด่าพ่อคงอยู่ไว้ผู้ขาก็ด่าเล้ากินละผู้ขาก็ด่าอีกินเลยอันเนี้มันหลงตีหลงมือแม่แพงเอ้ยจบกับจังหวะพอดีนะกลับมาจะ ไอ้แพงก็หมอบใส่ผ้าคล้อผ้าคล้อก็อามือรูปหลังอยู่ด้วยกันจนตายเนื้ออย่างนี้จากนี้เปลี่ยนพูดมาหวานนะใช่ไหมแง่แก้วเหรียแก้วไอ้ขุดจี้ปูนน่ะขุดจี้ปูนโอ้เสียงสับมือกันไม่มีหมอวิ่งหาหลวงพ่อที่วัดเนีวงพ่อเห็นเนื้อมือมันขาดไปแล้วเหลือน้อย เอามีดกนตัดทิ้งเลยไปเป็นมันตายไปแล้วมันเด็กน้อยมันมีลูกเป็นผัวเราเจ๋อไม่เห็นจากตี๋มันตายไปแล้ ว, ว ห, หนะลัลงตาเนี่ตัดมือมันอ่ะเอาเฉียงซับปื่อยมันขูดจีบผมนิมนมมดหนึ่งทำเสียงมาตัดเนื้อทิ้งเลยแล้วก็เอาอยาเหลืองเนี่ยแดงยาเหลืองทาทําแผล ก็หายไม่มีหมอจะไปก่อนที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่อยู่เพื่ออะไอยู่เพื่อสองสารคนสงสารคนไม่พอสองสารป่าสงสารสัตว์ยิงเจ๊งยิงควงตายวันละจีตัวไม่ดูที่ไหนล้วก็อยู่เนี่ยเห็นกับตาโอ้ยทำไมล่ ะ, ะเห็นเด็กไปตายในป่าเห็นไข้มาเราีย อุ้มให้ลองให้กันมาตายเป็นไข้เมียเถอะเลยเฮ้ยไปช่วยคนตายบ้านเหลี่ยงเลูกสาวสองคนเอาคนนี้ไปเผอแล้วกลับมาเอาคนนี้ไปเฝอแ้วหลวงตาจะหนีไปไหนละ่ะไม่มีใครอยู่เดินไปสวดมัตติกาแข่งผลไปเดินกลับมา <c oughs> คนเดียวโน่นเขาตายอยู่บ้านสำบอนเดินไป บ้านหลังแท้เนี่ยให้หลังตายไปจำบนตอนเช่าทำงมาไม่มีที่นอนเดินไปสวนมนเย็นเดินก็มาคนเดียวเดินเช่าเดินไป <c oughs> แล้วเนีจีนี่ไปไหนล่ะมันก็หนีไม่ได้เลยอยู่ที่นี่สามสี่สิบปีแล้ว อ, อ, อ่าไม่ใช่อยู่เพื่อนนะเพื่ออะไร ก็เลยไม่มีความสามารถช่วยคนได้เท่าที่ควรอ๋อใซึกงว่นนี้ก็มีศูนย์เด็กอนุบาลที่นั่นสามสิบกว่าปีแล้วสงสารเอสงสารไม่อยากเข็นคนทุกข์ไ่อยาเข็นคนโกรธไม่หลงตามีโอกาสได้ช่วยคนจึงจะมีชีวิตชีวา้าให้อยู่เฉยๆอยู่ไม่ได้แล้ว ถ้าบ้านเลี้ยงดูก็ดูแลไปพวกเราก็อยู่ที่นี่ก็ฐานะไม่ค่อยดีถ้าฐานะดีเล้วก็จะจะทำะอะไรจะทาอะไรมากกว่านี้นะไม่อยากแข่งคนทุกข์วิธีไหนที่คนจะไม่ทุกข์ไม่โกรธจะทำลงไปะจะให้บางทีเห็นเด็กลองให้โอ้ยคิดหนอนไม่หลับเลยแต่ก่อนมีนะ เด็กมาลองให้หลายวันน่ะหลวงตา อ, อยู่ผู้เดียวเสียงเด็กลงให้เอะเออองฟังดูมันเสียงเด็กนันะ่นน่ะบางคนก็บอกผีบังบทเสียงเหมือนคนร้องแยงแล้วหลวงตาแยงแล้วนกบังเพลินนะแต่ก่อนมืคืนไม่เงียบนะใช่ไหมไม่แพง เสียงสัตว์ป่านี่โอ้ยฉ่ำเสือฉ่ำช้างสฉ่ำหมีกัดกังดังแจ้งแล้วหลงตาแจ้งแล้วหวังเด็กเสียงคุยกันหวังลองเด็กลองให้อ้ามืเสียงเด็กนั่นแหะไม่ใช่เสียงสัตว์แล้วแล้วก็อยู่ตรงกะทีหลังเนี้นอนไม่หลับไปไปก็ไม่ฉายไปนะ ค่อยๆเดินไปถ้าเป็นผีก็มันฆ่าจะถ้าเป็นเสือก็มันหลอกเราไปกินซะทั้งหมัวมันว่า <c oughs> บางทีมันเสียงเหมนผีมันดุได้เหมือนก่อนนะเออเสือบางทีเราได้ยินว่าเสือมันเหมือนกับเรียกนายพานไปดักเนื้อบอว่าพ่ oh, อไอแม่ออกลูกแล้ว ลงเสียกินเลยตายเลยเสือกัดตายเลยอันนี้เสียงเด็กลองไงอ่ะสูตายถ้าเป็นเสือกัดกามันตายไปซะมันสงสารน่ะสงสารเด็กอ่ะมันร้องไห้หมันกลายเป็นเจ็บปวดเดินไปสูตายเสือก็กัดซะนี่มันเสียงคนนะ่ะเสียงเด็กนะ่ะเดินไปเดินไปเดินไปไปใกล้ใกลเสือ เสียงโคตรก่อนเสียงพ่อเสียงแม่พูกก่อูพกกนยืนอยู่เสียงคนนั้นเนี่ยอ้อมไปไปเสียงคนแท้ๆเลยทั้งเสียงผู้ใหญ่ทังเสียงเด็กหองก็เลยไปไปออเอออะอรเขาก็เปิดประตูมาทั้งัวดทั้งแมวอ้วลูกลูกน้อยมัน ออกมาน้ำตาเป็นยังไงล่ะเมียผมคอดโลกอยู่ผาพึ่งมันไม่มีที่อยู่มันเปียกเต็กมันออกใหม่ๆ เ, เลยอุ้มมาเนี่ยแข่งผลมามาขอนอนนี่สักคืนหนึ่งมาจากไหนพวกผมเป็นทหารป่า <laughs> มีน่าจะไัยก่อนหน้านะ <Okay. S 1> เพระผมเป็นทหารป่าเพราะผมเกิดรักกันไรเสียกันเลยตั้งท้องขึ้นมาหมู่เขาไม่อยู่พวกเขาไม่อยู่ให้ออกไปให้กลับบ้านยังไม่เบี่วอกาศกลับบ้านผมขอนอนนี่จะเกินสองเกินก่อนก็เลยเ อ, อยู่ทชิเมียบนะจะให้ช่วยวอะไรอดีก็ตื่นเชมามาเอาเอ า, เอาลงไปบ้านโค ก, กงไปหาหมอมันปวดจเฉยมันะ ตอนตาเป็นหมอหน่อยๆเคยทำโคดนะ <c oughs> เออกิดเลยดูมันมันทําโคดไม่เป็นอะ่ะสะดือมันมันตัดไม่เป็นน่ะเอาอไเลยแล้วเอาเชือกไปมัดไว้หน่อยนึงเชือกไปมัดไ้าไปมัดไว้สองสามปกก็มันก็ลงไปน่ะแต่แ ม, ม่ น, อนอะ่ะน่ะมันใหญ่เป็นไงล่ะ เราก็อยู่นี่มันไม่อยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อความเมตตาคนหนาถ้าเรามาอยู่ไม่รู้จะอยู่ป่าก็ทำลายสัตว์ก็ฆ่าตายเราไม่คิดว่าจะมารักษาป่าไม่คิดว่าจะมารักษาสัตว์จะมาเผยแผ่ธรรมะมาปฏิบัติธรรมในป่ามาสัมผัสกับป่ามันโอ้ยสบาย แต่มันมีงานอยู่เนี่ยยังไม่เสร็จเลยงานเดี๋ยวนี้ยังจะไปผูกป่าผู้ลงเองมาดูตัวเองมันก็เจ่แล้วนะเพรันเนี่ยอันเราทำไงจะให้ไปเบียดเบียงกันทาใหม่เบียดเบียนตัวเองทำมไม่ให้สงสารตัวเองบ้างเลยทำไมเป็นทุกนอนไม่หลับเพราะความคิดแค่นั่นเือมันทำได้นะ มันทุกข์ความคิดเนี่ยนิดหน่อยมันหลงเนี่ยตัวการมันมันก็มีตัวภาวะที่รู้ที่หลงในแหละจะทำยังไงจึงมั่นใจที่สุดเลยเพี้ยนหลงเป็นรู้ทําได้จริงๆจะให้พากันหลงไปทึงไหนถ้าไม่หลงก็ไม่โกรธไม่ทุกข์ถ้าไม่หลงไม่ไม่มีผัวน้นะ่ะมันไม่มีจริงๆทว่าทุกข์เนี่ย คือพระพุทธเจ้าสอนพวกเราอย่างนีเป็นเครื่องกําจัดทุกข์ให้มันจบไปสาซะทุกข์เน่ยความโกรธความรักความหลงมีประโยชน์อะไรทำไมจึงให้มันนอนอยู่กับเราได้สงสารตัวเราช่วยตัวเราเถอะพวกเราอย่าปล่อยให้หลงอย่าปล่อยให้โกรธอย่าปล่อยให้ทุกข์แล้เมื่อมันเมื่อมันทำอะไรตัวเองกสงสารคนเดินมาช่วยกันนะเนี่ย